โดยเฉพาะหนีปรุงหนีแต่งนี้คิดมันไม่มีที่หนีจริงๆนะไม่มีที่หนีเราทำไงละ่ะต้องกลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับให้เร็วกลับให้เร็วโดยมากมันจะเป็นสายเหมือนนําไหลเนียอดีตแกเป็นสายมันมีกําลังตัวคมชิดที่มันปรุงมันแต่งมีกําลังแล้วมีอํานาจสามารถเชื่อเฉยสามารถใดคนกินยาตายฆ่าตัวตายทาอัตอตาไม่ได้มันทําได้ทุกเรื่องถ้ามันเป็นเจ้าของชีวิตเราเนะียตัวคมชิดเนะี่ย จากนั้นผู้พูดธตะวันตกเก็บเยนะ่ะเก็บเยนะต้องเอาต่อสู้ชีวิตนี้ที่เหลือต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติที่ไหนล่ะปฏิบัติที่ตัวเราเพราะว่าอยู่ไม่เป็นเป็นไม่เป็นได้ไม่เป็นมีไม่เป็นมีอะไรก็แล้วแต่มีเล็กๆนะั้นมันเก็บมาคิดเก็บมาทุกตัวนี้แหละมันมีกําลังมันมีอํานาจมันมีอิทธิพลเหนือ จ, จิตใจเดิมๆของเรานั่นแหะหลวงพ่อเทียน หล่เทียนเจตสุโภตเป็นหลวงพ่อเราด้วหลวงพ่อพวกเราเนี่ยที่ศรัทธาที่เรามาปฏิบัติเนี่ยต้องให้เข้าใจคําว่ารู้สึกตัวหรือสติคําคําเดียวเนี่ยสติสติแต่อย่าสติแต่ปากอย่ารู้สึกแต่ปากต้องรู้สึกจริงๆที่กายที่ใจที่รู้ตัวตเราไปจริงๆแต่คิดว่าฉันรู้สึกคิดว่าฉรู้สึกตัวคิดกับตัวรู้สึกมันอยู่คนละขั้วอยูคนละขั้ว แต่คิดว่าฉันรู้สึกผมรู้สึกเมื่ก่อนคิดเอาจําหลวงพอ่อคิดปุ๊บแต่ปั๊บคิดปุ๊บแต่ปั๊บจำคิดปากหลว ง, งพ่อมาโทษแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ของตัวเองรู้สึกมันตกเป็นของตัวเองเหมือนคนมีเงินเนี่ยคิดว่าฉันมีเงินมันคิดเอานะไะใละห้าร้อยใบละร้อยหมื่นแสนล ะ, 10, ละมันคิดเอาเมื่อชีคิดต้องทํางานต้องทํางานทํางานเพื่จะมีเงิน เงินจะไม่วิ่งเข้ามาหากระเป๋าเราเด็ดขาดถ้าเราไม่ทํางานจะต้องทํา ง, งานงานขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของเราแต่ละคนที่เรียนมาวิชาที่เรียนมาสตินีนก็เช้าด้วยกันสติเนี่ยต้องสร้างสติจเจริญสติต้องทําความรู้สึกตัวไม่ว่าหลับหรือตื่นคือพูดเสมอว่าขี้เกียจก็ทำขยันก็ทํารู้ก็ทําทไม่รู้ก็ทําทต้องทําทําทำทำํา หลวงพ่อท่านว่าเมื่อก้องจะในหัวใจผมแต่มาเพื่อพูดจะพูดไปเถอะสอนไปเถอะร้อยคําพันคําแสนคําล้านคํำยังสู้การกระทำครั้งเดียวลงไปไม่ได้ที่พูดจช่นนี้ก็จยจะเน้นจยากจะเจาะให้กําลังใจอยากให้ ท, ำทำําทําเรื่องธรรมเนี่ยเรายืนอยู่แล้วใช่ไหมเดินเดินนั่งนอนครูเหยียดขึ้ื่อนไหวเราทำอยู่แล้วเรื่องวิธีเนี่ยเรายืนเดินนั่งนอนครูเหยียดขึ้นไว้อยู่แล้วส่วนกายเนี่ย แต่แล้วเราไม่เคยมาโฟกดูในกรรการกระทําของเราทําโดยฉันชาติยานทำโดยเคยคิดชินคิดว่าจะลุกกัลุกคิดว่าจะนั่งกันนั่งคิดว่าจะนอนจะนอนไม่ไปตามความชิดไปตา ม, ว, ามวิญญาณอารมณ์ตัวนี้สําคัญนะผู้พูดผู้พู ด, พ ด, พ ด, พดคิดดีแล้วที่พูดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนนะถ้าไม่หันกลับเข้ามาทางนี้ท่านต้องบอกว่าการตามใจตัวเองเนี่ยไม่ดีนะ แต่ก็ตามคมคิดไม่ใช่ตามใจนะปาฏิเขาบอกว่าการตามใจของตัวในชั่วนะไม่ใช่ตามใจตามคิดตามบัมเพราะใจมักแต่สบายไม่ใช่หลือถ้าปล่อยให้ตามใจเหมือนไฟคือนั่นคือความซามจะตามมาตามคมคิดตามบัมตามใจลูกตามใจสามีตามใจภรรยาอยากให้อื่นมาตามใจเราแล้วก็ตามใจคนอื่นไม่ได้ตามคาว่ารู้สึกตัวตัวนี้จะถูกลือ บอกได้เลยว่าตัวเองลืมตัวมาแต่เล็กเล็กลืมตัวมาแต่ออกจากท้องแม่มาปล่อยกายปล่อยใจส่งออกนอกมองออกนอกรู้นอกนอกเห็นนอกนอกเออใช่แล้วเนาะเราถึงได้ทุกเราถึงได้ทุกเพราะส่งออกนอกเพราะส่งออกนอกจําอาจารย์ท่านมากิจที่ส่งออกนอกนะั้นเป็นสมูทไทยที่พูดตอนเย็นเย็นวันนี้กิจที่คิดออกนอกแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ส่งออกนอก น, ะนั้นคือตัวเหตุไม่เคยรู้ว่ามันส่ง พอคิดหลุดจากตัวเองเมื่อไหร่มันส่ออกนอกล้วเนี่ยตอนนั้นคือตัวตัวสมุทัยคือเหตุทั้งทุกข์แล้วผลที่กิดคิดออกนอกแล้วนั่นคือตัวทุกข์รู้ทั้งรู้ลอยทั้ง้อยเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะที่จะคิดแต่พอมาเจอสติแล้วไม่ต้องอดไม่ต้องอดไม่ต้องทนขอให้สร้างสติอย่างเดียวอแล้วทีนี้กิดเห็นกิดอย่างแจ่มแจ้งทั้งว่าดีนะกิดเห็นกิดอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยตอนนี้เป็นนิโรธทั้นว่า จดเท่าไรจําก็เลยใช่แล้วใช่แล้วจดแล้วก็จําท่อไปเรื่อยโอใช่แล้วที่ผลของกิตเห็นกิจอย่างแจม่มแจ้งตัวนี้เป็นมัตมันคือหนทางยกไปเรื่อเดินไปเรอะทําไปเรอย ท, ทาไปเรื่อยรู้ว่าทำไม่รู้ว่าทำผมอัตมาทําแบบนี้ที่เดี๋ยวมาพูดแบบนี้เพราะทําทําทําถ้าบอกต่อไปอีกว่าถ้าบอกต่อไปว่า <c oughs> <c oughs> กิจของปู้ดุจชนเราลอาท่านๆเนี่ยผมผมกับตมมึงกันตมก็เป็นปู้ดุชนเมื่อกันนะมันส่งออกนอกคิดออกนอกบริเด็นกระเพื่อมนะกระเพื่อมคิดถึงคนรักคนช่างมันกระเพื่อมนะแต่กิจของผู้ที่ฝึกดีแล้วไม่ชี้ก็ดีพลักอันนี้ที่ฝึกดีแล้วเป็สติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ปัญญาตีเนี่ยส่งไปถึงไม่กระเพื่อมเด็ดขาดส่งไปถึงคนรักคนช่างในขณะที่ฝึกเรียมันไม่มีอาการเห็นไหมอันนี้ส่งหรืผลเนี่ยทําได้ทุกคน ใครจะมากใครจะน้อยขึ้นอยู่กับตัวปฏิบัติแต่ละบุคคลฝากบอกทุกๆชีวิตที่มานั่งนงะตรงนี้ให้มั่นใจอย่าสงสัยหลังเลยถ้าไม่ดีจริงไม่มีสมาชิกหรือหมู่คณะมานั่งอยู่แบบนี้คงได้สัมผัสคำวันรู้สึกตัวนี่รู้สึกตัวทีนี้คนทุกๆคนทุกๆเช่นโอ้ผมคนเป็นเอชก็คอยๆวันตายเป็นทุกเอชเท่านั้นแนหะพับแล้ว คิดแล้วฟุงแต่งจะตายแน่เอตเป็นกายไี่เป็นใจมันเป็นกายแต่ถ้าไม่มีอุปทานเป็นยิน้มว่ากูเป็นหรือฉันเป็นมันเป็นกายทางหาผมมันตมาช่วงล่างเสียแล้วเนี่ยต้องไปนั่งพิงเสาพิงฟ้าต้องเปลี่ยนอะไรบทต้องให้เป็นกดทับไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปตามอาการที่เวทนาเมื่อก่อนเวทนาที่มันเกิดประชินเห็นมันเกิดขึ้น ตั้งยึด้ขึ้นมาเหมือนคนบุรีนะเห็นมันตั้นอยู่เห็นมันเสื่อมไปตลกเล่นในซ้ําไปแต่นี้เกิดแล้วมันไม่ดับเกิดแล้วมันไม่ดับเกิดแล้วมันอยู่มันชาต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเนี่ยฉะนั้นตัวปฏิบัตินี้สําคัญเอสําหรับพวกเราที่ไม่เป็นเดินหมู่ออกข้างนอกเหมือนแตนหาตะเลตัวมาจ้าป็นระบบที่มากกว่านี้เนาะเป็นนั่งดูนั่งฟังท่านตลอด ชอบฟังชอบดูดีเนาะดีเนาะท่านป็ผู้ที่แก่เรียนประสบการณ์เยอะหัวดีปัญญาดีแต่ละลูกไม่ว่าทา่านเจะคนหรือว่าพิธีกรส่วนผมมัตมานั้นจะจําอย่างเดียวคือว่าจะจุดคิดได้ยังไงเป่าจะจุดคิดได้ยังไงต้องรู้สึกตัวเท่านั้นท่านจะพูดดีเป็นเรื่องของท่านทําดีเป็นเรื่องของท่านเรื่องนอกตัว แต่เราจะทำความรู้สึกยังไงให้มากมากมากมากไปหยุดชิดไปตัดตัวเจ้าสังขารไปจัดการกับตัวทุกนี่คือเป้าฉะนั้นพวกเราโชคดีมากมากอย่าลืมนะโชคดีมากๆบ้านไม่ต้องเช่าเข้าไปต้องซื้อฟรีทุกทุกเรื่องนะตรงนี้เป็นในเพียงออกกายกับใจมา แล้วก็ใจมาแล้วก็มาฟังหลวงพ่อหลวงพี่พระอาจารย์ท่านถ่ายทอดเนกการเจริญสิธิแต่ละวันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละลูกถ้าจะมีประสบะการณ์จริงในการปฏิบัติให้พวกเรามามาฟังแล้วให้ปฏิบัติตามอันนี้ยังทุกอันเดียวกันแหละทุกอันเดียวกันก็ลูกทุกคือกายเนี่ยลูกทุกกันนามทุกมีสองทุกนี้แหละวไอ้ส่วนทุกเป็นด้านเนื้อหนัง ไม่มีเงินมีทองไม่มีทรัพสมบัติไม่มีข้าวจะกินไม่มีบ้านจะอยู่นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปบอกการ์ดยัอดทนประยัมัดทุนนดหน่อยหนึ่งก็มีแล้วแต่สําคัญมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีทุกเรื่องแต่แล้วมีแล้วมาทุกเพราะส่วนที่เป็นนามลูปเช่นกับสัตว์นุมถึงออกบวชมีบ้านตั้งสามฤดูกาลหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนมีสนองมีโอ้มีทุกเรื่องแหละแต่ทำไมท่านออกบวช ท่านทําไมถึงหนีโมเหสีที่กําลังหนุ่มๆราชบุตรกําลังหน้าลักหนีได้ยังไงแล้วมาได้ยัเป็นได้ยังไงก็ไปเห็นพวกเรารู้จักได้ดีว่าเห็นคนเกิดใช่ไหมเห็นเด็กๆเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะเท่านั้นน่ะท่านเราอยู่ของเลยเป็นคารวะต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็หาทางที่จะ หลุดพ้นจากการเกิดการเกิดทั้งนั้นเนื้อหนังกิดเกิดมีสองอย่างเกิดท่านเนื้อหนังไม่ต้องไปพูดไปสอนเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแต่ว่าการเกิดทา้งนั้นจิตวิญญาณ้นวันหนึ่งไงเกิดสังเกตไหมคนคิดคิดคนทุกทุกไงเกิดเป็นเปเกิดเป็นผีเกิดเป็นสัตว์วิญญาณเกิดไม่ลูกนับไม่ท้วนอยากไม่มีขอบเขตอยากไม่ได้ควบคุม เป็นเปรตแล้วเป็นเปรตแล้วท่นว่านะมาปฏิบัติธรรมกาะให้พ้นทุกข์เป็นเปรตถึงหิวปาท่นว่าเราผมอุตมานี่เราเป็นเปรตตึงหิวปาอยากดับทุกข์คิดแล้วก็อยากคิดแล้วก็ะยากการเกิดทางด้านจิตวิญญาณตัวนี้เป็นการเกิดที่สําคัญตบการเกิดทุกคลาเป็นทุกล่ําไปฮแก่เหมือนกันเนื้อหนังไม่ต้องพูดถึงการเก็บก็เหมือนกันการเก็บทางด้านเนื้อหนังเนี่ยไร่ต้องพูดถึง แต่สมมากผู้ไม่ปฏิบัติทางกายก็พลรงจะบ้าตายอยู่แล้วถ้าเกิดทางกิจทับก็อีกทีหนึ่งท่านกิจทับอีกทีหนึ่งตะกี้บอกว่าเป็นเป็นเอกถ้าเป็นมะเร็งเห็นไหยเป็นมะเร็งเนี่ยก็เป็นกายอยีกแหละผมว่มาได้ไปอ่านข้อเขียนแผนพับอันนึงของหมอประเวศท่านเขียนแปลเป็นภาษาไทยว่า <c oughs> ดีใจด้วยฉันเป็นลมมะเร็งไปบารก็บอกมาเนาะเป็นมะเร็งจะดีใ จ, ใจยังไงพวกอ่านไปอ่านไปเลยเขารักษาด้วยเคมี ค, มคมีโมร์รักษามาเยอะเขาเป็นหมอต่างประเทศไม่หายทางเลือกขั้งสุดท้ายก็มาปฏิบัติธรรมแบบเลยก็ไม่ทราบน ะ, จะเจริญสติมันเราหรือเปล่าในรถเนี่ยเขาหายจากลกมะเร็งมะเร็งเงขียนมากอาดีใจด้วยฉันเป็นลมมะเร็งเห็นหาย ว่ล้มตอกล้มเหลืองอะไรก็ไม่ทราบนี่แหละโลกเนี่ยรูปโลกทางด้านร่างกายเนื้อหนังไปหาหมอเห็นไหมหมอหายาก็มีเอ็กซเรย์ตึสารสมาร์มองอยังนได้ทุกส่วน <c oughs> ของร่างกายเ อ, อส่วนที่เป็นนามโลกนะนามโลกคือโลกคิดโลกคิด ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อฟิล์มเอ็กซเรย์้ะครับจะไม่เห็นเจ็นโรกเครียดอย่างนี้พูดจะเครียดมากเลยอดีตตอนนั้นมาคิดอันนี้มาคิดมันเครียดหน้าปวดเบื้งคล้ําหมอเขาบอกว่ามีอะไรเครียดหนักเ น, น, นี่ยสารบาสสารบาสคือสารอะไรเนะี่อะดรีนาลีนก่อตัวให้เกิดมะเร็งก่อตัวให้เกิดกเพราะสารพัดปัญหาสารตัวนี้เราก็ว่าสารบาสสารทุกผมจะเป็นหนักในอนดีต ดาวพรจะเป็นมรกในอดีตและยัมีสารอีกตัวหนึ่งนี่จำมาได้ผิดถูกไม่รู้นะคงจะถูกปฏิบัติไปแล้วทีนี้เกิดชุ่มชื่นปีติที่อกดีใจยิ้มอยู่คนเดียวเกิดปีติเกิดมีความสุขดุดดื่มมีชีวิตชีวาเดินได้ทั้งวันปัญมีเพลียนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เอามาหลอกการกับใจได้พบกันแพลิกเบือขึ้นรู้สึกเอาเข้ารู้สึกเอาออกรู้สึกเอาไปรู้สึกจับจับใหม่ สัมผัสใหม่สัมผัสความรู้สึกได้แล้วกายกระเจิดไปพบกันเนี่ยมันจะไม่เพลียไม่เดือยเดินได้ทั้งวันเชื่อไหมแน่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสักวันหนึ่งเนี่ยที่ท่านอนยาไมัยเลศบอกว่าจะเข้มงวดดีใจไม่ต้องกลัวพิธีกรดานบะโวจันมหาดิเลรก็เข้มอยู่แล้วพอดีหลวงพ่อส่งคำมาอีกไม่ต้องกลัวถ้าไม่คิดกลัวไหมถามหน่อยถ้าไม่คิดกลัวไหม กลัวผีกลัวตายกลัวโน้นกลัวนี้กลัวไม่มีเหตุมีผลเนี่ยไปอยู่บางช้าไปใหม่ผมกลัวผีกลัวผีแต่เดินเข้าถ้าไม่คิดเราไม่กลัวบอกได้เลยตายก็กลัวอกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายใช่ไหมกลัวทําไมฉะนั้นความคิดนี่แหละสําคัญนะขอให้กายกับใจได้พบกันเนี่ยกายมันเคลื่อนใจมันรู้รูปมันเพื่อนนามมันรู้ แี่แรกมันไม่ค่อยอยู่ร่วมกันไม่อยู่คิดหนีแล้วกลับมาหนีแล้วกลับมาหนีแล้วกลับมาพอเดินบ่อยๆทำบ่อยๆการกระเจิมันเริ่มอยู่เริ่มเชื่องเริ่มเชื่องเริ่มอยู่เริ่มเชื่องเริ่มอยู่แล้วมันจะเพลินสนุกมีความสุขในการเดินจากนั้นอยากจะบอกหลักปฏิบัติที่แม่นๆให้กับทุกๆคนผมมาตมาเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้ยากเห็นยากเข้าใจยาก ปฏิบัติลาบากที่สุดในโลกจริงๆนะมันจะคดเล่นนะโอ้คนที่งโง่ที่เซอ่อที่ทุกเหมือนกูจะมีแม่น้อในโลกนี้จะมีแม่น้อบันลําพึงลําพันช็อปนั่งคนเดียวนอนคนเดียวอยู่คนเดียวมันก็สนุกชิดนะแตนี้เวลาปฏิบัติได้หลักปฏิบัติมันก็สนุกปฏิบัติระหว่างตัวลู้แตกับคงคิด ม, นนะมันสู้กันเนะมันสู้กันฉะนั้นขอให้สู้สู้อย่า ก, กลัว จะกลัวหลวพ่ออาจจะไม่เลยจะกลัวผมจะกลัวตมมาอย่า ก, กลัวอะไรทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติขอให้กำลังใจจริงๆไม่จะพูดเล่นนะอะไรจะเกิดให้มันเกิดไม่ว่าง่วงนอนเอา้าว่วงนอนหัวสุกขัวสนขอไปใช้สภาษา์หลุดทุ่งนะนั่นก็จะหลับนอนก็จะหลับโอ้ัวชมตอนไหนมันก็จะหลับสมัยก่อนมานอนไม่หลับคืนตั้งคืนมันไหลเหมือนน้ำเลยนะมันไม่ไหล ทีนี้ปฏิบัติแล้วมันจะหลับมันเป็นนิวน์เป็นมารคอยขวางกั้นจิตไม่ให้เราบรรลุถึงความดีเรียกว่ามารเจอแน่คอยดูนะเจอแน่ยิ่งปฏ même, no no no no no ิบัติเดินธัรมปยาตาคอยดูนะเจอแน่ต้องเจอทุกทุกคนอยากลัวว่างเหงาเหานอนฟุ้งซ่านสงสัยลังเลอิจฉาพระบาทจิตที่เป็นฝ่ายลมันจะขึ้นมาขึ้นมา แล้วเราจะทํำยังไงล่ะเตรียมตัวรับสถานการณ์เขาไว้เมื่อยังไม่ง่วงเมื่อยังไม่ฟุง้งไม่ยังมีปัญหาเลยเตรียมรับรับยังไงก็ตั้งใจยกมือนี่แหละในขณะที่ไม่ง่วงนอนไม่ฟุง้งซ่านตั้งหลักรับถึงจบอกว่าจะให้หลักปฏิบัติที่มั่นแม่นตั้งใจทําอะไรจะเกิดให้มันเกิดเรามีหน้าที่เดียวครับรู้สึกตัวอย่างเดียว รู้สึกตัวจะได้จับหรือสัมผัสให้ได้บอกว่าตะกี้ได้จับไม่จับไม่สัมผัสคือส่ที่เป็นรูปธรรมเนียเรียกว่าจับถ้าเป็นตัวสติจับ้ว่าจะไม่ถูกสัมผัสกับความรู้สึกเห็ได้เช่นกายเคลื่อนใจรู้รูปเคลื่อนนามรู้เรียกว่ารู้สึกตัวยกมือขึ้นนี่คือกายเคลื่อนลนะกายเคลือลคล่อนให้ใจรูโยกตัวไปโยกตัวมาเดินหน้าถอยหลังนี่คือกายเคลื่อนแล้ว เอาหยับหยาบนอกๆก่อนโยมยาไม่ชีหรือทุกๆชีวิตนนะหยากที่สุดคืออะไรที่นะี้ยืนเดินนั่งนอนอะไรบทใหญ่ีเช่นยืนหนึ่งนะลองโยกตัวสักหน่อยลองดูเนี่ยกายเค <c oughs> ล่รูลูกเคลื่อนนามรูเรียกว่ารู้สึกตัเอาหยับหยาพอรูกเคลื่อนนามรูรู้สึกตัวแล้ว โยกตัวไปเยาวๆอาลองดูรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าฟังให้ดีหน่อยนะจะกลับมาตรงนี้จะพูดให้กลับมาตรงนี <c oughs> ในะนนงน้ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะพระท่านสอนที่เลียงท่านบอกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ปากคําคว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆเป็นยังไงกอดอกควายข้างหน้าแล้วค่อยไข้างหลัง แล้วลงมือปฏิมัติขยับยาวๆลงดูคุมคลีงโอเคเลนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมตาดื้อนนะหูกระดึนนะ้นตาน่อย่าแสจะเป็นรับอารมนอกตาจะแสะหูจะใสา่ปากนี่ก็สาคัญจะพูดเรื่องความคิดไม่ต้องคิดอย่าไปคิดอย่าไปสนใจคิดความคิดเป็นนา้มมาันลูกมาอยู่กับรูปน้ำ ม, มากๆรูปคือกายนยะแต่อย่าไปแยกนะ จะไปแยกรูปคือกายแล้วก็นามคือใจจะไปแยกรูปแยกนามเนนะียแต่นี่พวกนีฟังนะเนี่ย ก, กายเคลื่อนใจรู้เรียกว่ารู้สึกตัวรูปเคลื่อนนามรู้ให้รู้สึกเท่าเนี้แล้วเสร็จแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ศรีรษะไปถึงปลายเท้าคงเคลงเล่นๆทําเล่นๆ น, น, นะอย่ไปทํานานมีคนไปทำอยู่ที่วัดสนามในขอนแก้วลําพูนโอ้มันอยู่ดีนพองหอ่าทำ น, ำนาน เขาบอกเลยว่าใครสอนเนี่ยจะไปสอนวัฒนามไหนถ้าเขาบอกเลยทํานิดเดียวทํานิดเดียวให้รู้ว่ากายเคลื่อนใจรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเท่านี้ก็พอก่อนที่จะเดินจงกรมก่อนที่จะเดินจงกรมให้รู้สักตัวทั่วพร้อม ก, ก่อนเดินหน้าถอยหลังสองสามเก้าโยกตัวไปโยกตังมาบกขยาในคนเราจะมีท่าท่าหนึ่งเลยว่าท่ารู้วิญญาณท่าตาเห็นรู้ใช่ไหมหูได้ยินก็รู้ใช่ไหม ข้ขาเขาอยู่ทขาใช่ไหมกับพิษตามยู่ที่ตาหายใจอยู่ที่หายใจอยู่ที่รูปน้ำนี่มากมากอยู่มาก ๆ, ๆมากๆอยู่ถึงหกสิบเ็ดสิบเปอร์เซ็นตคนที่คิดมากอยู่หมดเลยอยู่ร้อเปอร์เซ็นต์ลยคนที่คิดมากๆไม่ยอมหยุดนะ่ให้อยู่กับรูปน้ำมากๆให้มันอยู่ถ้าไม่อยู่ก็มาคุยกันกับหลวงพ่ อ, อพระอาจารย์พูดไปชี้คุยยิม้มนะการยิ้มๆลราคงในตัวสําคัญนขคงเนี่ยเออ ถ้าพูดไปก็มาคุยกันนะหนูจะบ้าหรือพ่อเหมอนกันนะแล้วจะบ้ายัางไงเล่าซะหน่อยสิจากพักหนึ่งแล้วจะทำไงอยากไปยุ่เงียบๆก็ออกไปอะไรไปเลยตืต่นขึมาหาจยอยมันตันลเรื่องความคิดมันตันโลมันหลอกลวงมันมายาเสแซงเป็นป้อนตอแหลเสแซงต้องบอกว่ากินเดล็กู้สังชาติคิดขึ้นมาทีนึงมันหลอกแล้วหลอกตัวหลอกคนอื่นผีที่อยู่ประช้าไม่เคยหลอกผม ทุกวันไม่เคยหลอกอะรตม า, ตมาแต่ความชิดที่มันปรุงแต่งที่มันสร้างเรื่องมันจะหลอกหลอนหลอกโอหลอ ก, หลอกน่าดูฝันเห็นผีฝันเห็นผีและทีนี้สร้างภาพเป็นมโนภาพมายาภาพทางตาเป็นรูปภาพมายากระดาษลืมตาเห็นภาพมันสร้างเรื่องของชิดภาพหลงปูทเทียนภาพพุทธเจ้ามันหอกลอยมาเสียงก็มีเสียงแว่วที่หูแล้วมากระซุบซิบหลวงพ่อมาเทศน์ให้ฟัง นิบิตทางหูนิบิตทางตาหูมันสร้างสร้างพวกสร้างชาติเนี่ยปฏิบัตนะิแล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสติเนะี่ยมันน่ากลัวนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวสําหรับพวกเรานะจับหลักคําว่าสติให้ได้แน่นจับหลักสัมผัสปลุกกระเยาะซะก่อนเนยะสลัดหัวสลัดแขนปลุกกระเยาะซะก่อนบอกว่าในคนเราจะมีวิญญาณธาตตาเห็นก็รู้หูได้ยินก็รู้ทูกวิชาความมืดบอด มาครอบไว้ทันเดองไหมเรามาเปิดม่านหรือเปิดวงล้อมของวิชาคือตัวรู้ก็ไปใส่แทนความไม่รู้ถ้ารู้สึกตัวอยู่ความไม่รู้จะหมขึ้นมาไม่ได้ี่บุกเขย่าบุกเขยวจับตัวรู้ให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เป็นสัญจติให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเพือตั้งหลักใหม่ล้มแล้วลุกใหม่ล้มแล้วลุกใหม่ไม่ใช่ล้มแล้วนอนเลยนะส่วนมากคนที่เกียรติคนที่ต้องขยันปฏิบัติธรรมเนี่ย พอรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วท่านไดกระเดินหน้าถอยหลังเรื่องเดินจุงโกงมันะหรือสรางจะงหวะมือในกระแทะเอาสร้างจังหวก่อนดีกว่ากั น, น, กนแล้วกันนะวันนี้จะสาธิตถึงหลังรับรองว่าไม่เบื่อไม่ทุกไม่แซงไม่กุ้งแต่ว่าต้องมีเบื่อมาก่อนง่วงนอนมาก่อนฟุง้งซ่านมาก่อนอิลูมิต้มเข้ามาแน่แต่เราต้องฝืนทวนกระแสสักวันหนึ่งจะเป็นวันไหนนั้นขึ้นอยู่กับตัวปฏิบัติ เอากลับมาหาตัวตัวยกมือก่อนกันเลยกันนะนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆนั่งสง่างามชอบพูดบ่อยๆจะนั่งฟังเทศนั่งฉันอาหารนั่งสนทนานั่งอ่านหนังสือโครงสร้างของร่างกายมันมีกระดูกถ้านั่งคดๆเนกระดูกคดกล้ามเนื้อคดบิดเบี้ยวโอกาสปวดเวทนาเกิดได้ง่ายรับรองเลยปุ๊บพูนั่งซมซ่อสมัยก่อนนั่งกด มันนั่งผิดนั่งผิดเพราะเราไม่รู้โครงสร้างของร่างกายพอมาปวดหลังเข้าอ่านหนังสือโครงกระดูกมันจะบอกให้โอ้ธรรมชาติมันสอนพระท่านจะบอกว่านั่งตัวตรงๆดำมลงใจไว้ให้มัน่นอย่าสงใจไปที่อื่นเห็นไหมถ้าเก็บมาคิดนะนั่งตัวตรงๆนั่งยังไงนะนั่งตัวตรงๆนั่งสั่งงานงามบอกได้ลยกลับมาดูนั่ง แลก็ลงตัวให้มัน่นให้มั่นไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวอย่าสนใจไปอื่นมาถึงไม่คิดออกนอกเลยนะเนี่ ย, ย <c oughs> <c oughs> ก็เลยมาเติมต่อว่าตาอย่าแสแสบไปรับรูปภาพคนที่คิดมากทอดสายตาลงต่ำนิดนึงแต่คนที่ฟุ้งซ่านคิดมากทอดสายตาลง ต, าตา่าแต่คนง่วงนอนส่ออกเต็มที่เล ย, ยมันเม็นเทคนิคเฉพาะตัวเนี่ยจะพาะผู้สอนเป็นประสบการณ์ต้องบอกว่าตาอย่าแสหูอย่าสาย ความคิดไปต้องใช้งานจะไปสนใจสที่เป็นนามรูปเพราะตาไม่แสหูไม่สายจิตไม่คิดแล้วก็เอาความรู้สึกทั้งหมดมารวมลงตรงที่กายเคลื่อนรักนะกําพูดคำเนี้ยรักนะแล้วก็พอใจยินดีที่จะถ่ายทอดจํามันแล้วกันนะกายเคลื่อนใจรู้รูปเคลื่อนนามรู้เรียบว่ารู้สึกตัวเท่านี้แหละจะไปจํามากจําหลักปฏิบัติจะไปจํามากจะไปอ่านมาก ถ้าใครอยากดับทุกข์ปวดทุกข์มันลูกทุกข์นำทุกข์นั่นเองแล้มีสองทุกข์เนี้ยไปอ่านตำราหาไม่พบเรื่องของทุกข์ไปฟังหามเมื่องความทุกข์ต้องกลับมามาอ่านกายกับใจตรงนี้อพอ ก, กายเคลื่อนใจลุกเรามาเคาะขาสวิตหนึ่งปุกขยำปขยำสลัดแขนสลัดแขนถ้ายืนกับสลัดขาปลุกขยำให้รู้ตัวตื่นจัวเลืองอาชีวะทุกข์งาม คิดถึงพระพุเจ้าเป็นอนุสติ <c oughs> คิดถึงหลวงปู่เทียนผู้ถ่ายทอดให้เสร็จแล้วก็เคาะขาปลุกขยำปลุกขยำกัมือแบมืออะไรกันแล้วแต่เป็นเทคนิคส่วนตัวจับความรู้สึกให้ได้แล้ว ค, ค่อยๆทาหรือจะกับพิบตาเล่นๆเริ่มต้นจากเคาะข า, ขาพลิกมือคว่มือกับพิบตาหายใจเล่นๆทบทวนเรื่องสติให้มันกลับขึ้นมาสะก่อนคิดว่าจะเดินเดิน คิดว่าจะยกมือยกความคิดจะเป็นตัวนําคนทั่วไปที ili, ่ไม่ได้ฝึกนะความคิดจะเป็นตัวนําแต่บัดนี้เรามากลับกันให้ความรู้สึกเป็นตัวนําตัวความคิดกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกจึงบอกว่าให้เคาะขาปลุกขย่าพลิกมือคว่ำมือกำมือแบมือกระพริบตาเล่นๆหายใจลึกๆยาวๆสบายๆส่วนความคิดมันต้องวุ่นวายเอาละเอาวางไว้หัเข้อตรงสองข้างพูดไว้นะนิสัย ไปถูกฤทธิ์ใสเอาไว้พวกเราท้งสองข้างลองดูอลองลองดูนะยอมมองมาทางนี้มองมองมาง ม, องมองม า, มงมานิดหนึ่งมองมาหาผมมองมาตามมามองมาตาดูจัดจ้าในขอเพย์ okay. บอกว่าตาจะหนีลูกลองมองมาหูลองฟังเสียงที่ผมพูดลองรอนตามมาพูดลงตาดูหูฟังเอาความรู้สึกทั้งหมดมารวมล ง, ลงตรงที่กายกับใจ อละละค่อยๆแต่แข่งมือขวาขึ้นลองดูนะโยมนะยมแม่ยมยายยมน้องยมพี่นะมือขวาแต่แข่งขึ้นยกขึ้นมาขนานด้วยกับลําตัวแบบนี้แบบนี้ให้ตรงตรงหน่อยให้ข้อพับมถ้าสดุดดีค่อยๆแต่แข่งมือซ้ายขึ้นยกขึ้นมาให้ข้อตึงๆหน่อยถ้ามามือขวาเอามุดขวารูปนออกขึ้นมาลูขึ้นมาเอาออกมามาตั้งที่หัวเขา่า ล้วคว่ำลงค่อยๆสายลูกขึ้นมาออกมาตั้งที่หัวเข่าล้วคว่ำลงแต่แขงมือขวาขึ้นรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกท่าเสดือรู้สึกแต่แขงซ้ายรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกท่ามือขวารู้สึกขวาลูกขึ้นมารู้สึกออกมารู้สึกตั้งหัวเข่ารู้สึกความลงรู้สึก สายลูกขึ้นมารู้สึกออกมารู้สึกตั้งหัวเขารู้สึกความลงรู้สึกแต่แขงมือัวขึ้นหนึง่งยกขึ้นมาสองท่าสุดดือสาแต่แขงสายสเอาขึ้นมาห้าท่ามือขวหกลูกขึ้นมาเก็ดออกมา8 ต, ตั้งหัวเข่เา9ความลงสิบขึ้นมา11ออกมา12ตั้งหัวเขสาส3า ข้องลมสิทแต่แขงมือขวาขึ้นรู้สึกอีกยกขึ้นมารู้สึกท่าเสดือรู้สึกแต่แขงซ้ายรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกทาามือขวารู้สึกขวาขึ้นมารู้สึกออกมารู้สึกตั้งหัวเข่ารู้สึกความลงรู้สึกซ้ายขึ้นมารู้สึกออกมารู้สึกตั้งหัวเข่ารู้สึกความลงรู้สึกแต่แขงมือขวาขึ้นหนึ่งอีกรอบขึ้นมาสอง ภาพเสด็จสามแต่แข้งซ้ายสี่าขึ้นมาห้าท่านมือขวอกลูกขึ้นมาเก็ออกมาแปดตั้งหวเข่าเก้าความลงสิบขึ้นมาสิบเอ็ดออกมาสิบสองตั้งหัวเข่าสิบสามความลงสิบสี่เอาแต่แข้งมือขวาขึ้นเอาไปเลยไปเลยไม่ใช่ไปมึงเลยนะทำไปเลยทำสบายๆฟังนะจะขยายความ ทำไม่เป็นจังหวัดจังหวะตั้งใจนะจะทําทต่อแต่บอกว่าคนคิดมากทอสยตาลงต่ํานิดหนึ่งคนฟุ้งซ่านคิดมากทอตาลงต่ำถ้าใค ร, ข, รออขี้ง่วงคี้เศร้าส่งออกนอกเต็มที่เลยคี้ง่วงคี้เศร้าซื่อบื้อทือซึอมจะมองให้ไกลอย่าทำอย่าตั้งใจมากถ้าตั้งใจมากมันจะเพ่งจ้องแล้วจบจ่อถ้าไม่ตั้งมันก็ลอยใหม่ๆเนี่ย หาความพอดีไม่พบทําไว้เตอะมใหม่ๆขาดบ้างเกินบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ช่างมันหนึห่งไม่ทำ ท, ำทำําทำเท่า น, นี้แหละทละลํานะขอร้องอย่าทําต่อแตะต่อแตะเลาะและโลเลผู้พู ด, พดชอบพูดบ่อยเลยกันคำเนี้ยทำต่อแตะเลาะและโลเลเล่นๆ ล, ลอยลอยเลิกทำอะไรต้องทํำจริง ต้องจะทําอย่าหลักตานะลืมตาแต่อย่าลืมตัวเอออย่าไปสนใจรูปเสียงกระทบสัมผัสอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจถึไม่สนมันก็เห็นจะเอาความรู้สึกทั้งหมดมารวมลงตรงที่การเคลื่อนไหวของกายแค่นี้ก็ถูกตัดรูปเสียงกลิ่นรนะ็อกแล้วใหม่ๆมันตัดในฐานทําทตรงนี้นะ จะก้มนะจะก้มตั้งคอตรง ๆ, รงๆก้มมันจะปวดต้นคอบางทีมาถ่ายทำวิดีโอบางทีเก็มาถ่ายภาพเห็นภาพออกมาอาาที่ไหนได้ดูวีดีโอไม่อ่อนไหนแต่วดีโอสมัยก่อนๆเกะกะเกะกะจากนั้นต้องเห็นภาพที่เรานั่งตรงๆเห็นภาพตัวเองเห็นมือที่กำลังยกตาเนื้อก็เห็นปัญญาก็เห็นเห็นเห็นตัวเอง รู้ตัวว่าก้มนะแตก้มไม่รู้ตัวว่าก้ ม, กก ม, ม, ต, ววกมตั้งใจมากก็ไม่รู้ว่าตั้งใจมากเพ่งก็ไม่รู้ว่าเพ่งจ้องก็ไม่รู้ว่าจ้องใหม่ๆเนี่ยจะไปเพ่งที่มือเขาฝาังจะไปเพ่งที่มือเป็นที่เพียงเคลื่อนไหวของมือให้การเคลื่อนไหวของมือถ้าเพ่งจ้องจดจ่อมันจะไม่ชิดมันจะพาให้ง่วงนอนได้ประเด็นสาคัญมันมีเทคนิคผู้พูดมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะในอดีตเอาประสบการณ์จริงนั่นแหะมาพูดให้ฟัง จเจอปัญหานี่อย่าท้อแท้โหนตั้งแก่ไม่ถมไปไปตังแก่ก็อบอกมีปัญหาไม่ได้มีให้กุ่มก็อบอกนะจําข้ามานะไปกุ่มใหญ่แกจะไปกุ้มใจเรื่องน้นเรื่องนี้จะไปกุ้มอย่าไปคิดกลับมาเคาะขาป๊กๆ ก, กลับมาสร้างสติสงสัยแล้วกลับขึ้นมาสงสัยแ ล, ล้วก็สลัดแล้วจะมีคําตอบ mm. ดีกว่าหลวงพอ่อดีกว่าอาจารย์ในสติจะบอกให้ ไปสงสัยอยากถามหลวงพอ่อถามน้นถามนี้กลับขึ้นมาตัวรู้สึกกลับขึ้นมากลับขึ้นมาหาตัวสติเท่านี้นะหลักปฏิบัติพื้นฐานเบื้องต้นแค่นี้ในเะบื้องต้นเนะ่จะนั่งพัเพียกกัตามานั่งเก้าอี้คนที่มีอายุแต่ว่านั่งตรงๆนั่งสางงาม อ, อกไผไเลยพึงพิธีกรท่านพูดจำมา อย่านั่งสมซ่อแล้วก็มอซสอคอตกต ก, ตกยกมือเตาะแต่แถมสบงบ ก, กิอย่าไปทำอย่าไปทำจะไม่อย่าไปท ำ, ำ, ปทำต้องตั้งใจทำทำอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่ายกมือสร้างจังหวะใดินโยกมต้องตั้งใจทำจริงๆอย่าทำเล่นแม้แต่พูดแต่ละคําเนี่ยแต่พูดแต่ละคาต้องออกจากใจตั้งใจพูดแม้แต่คิดอะไรกันแล้วแต่ตั้งใจคิดจะไปคิดตะเปตะปะ ความคิดที่ไม่ตั้งใจนะ้มันลากไปมนะันสำคัญละ่ะเอาเป็นว่าสรุปช่วงนี้ว่าอย่าเพ่งอย่าจ้องอย่าจดจอ่ออย่าตั้งใจมากอย่าไปเพ่งที่มือเอาความรู้สึกมารวมลงที่การเคลื่อนไหวของกายตาอย่าแสงหูอย่าสายกิตจะไปคิดคิดปตีกองไปทุกเรื่องทุกเรื่องเอี่ทีนี้ถ้ามันไม่คิดอยู่ที่การเคลื่อนไหว มันแยกไม่ออกระหว่างคิดกับทุนรู้สึกมันแยกไม่ออกใหม่ๆเนะระหว่างกายกับใจก็จะแยกไม่ออกใหม่ๆเนียแต่ทําไม่หยุดทำไม่หยุ ด, ยดสักวันหนึ่งมันจะบอกว่าโอ้โอ้กายเคลื่อนใจรู้เป็นอย่างนี้เนาะกายกับใจเป็นรู้กับมันเป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้เนาะสักวันหนึ่งจะเป็นวันไหนขอให้ทำทำทำําต้องใช้เวลาคิดว่าผมมันมาพูดหนึ่งซึ่งมืดบอดทุกที่สุดในโลกไม่ตาก็บุญแล้วเพราะสต็เพราะลุงบัเทียน คนที่มี ท, ทุกทุกดีที่สุดจะลืมจะลืมทำทำทำทำมีทางเลือกมีทางออกจะริ่สตินี่แหละเรื่องอย่างอื่นๆอีกก็ค่อยคุยส่วนตัวถ้าใครมีปัญหาจะถามถ้าตอกจากเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องไปถามต้องทำอย่าตั้งเฉยๆนะไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่องอ่านนิดน้อยนะการอยู่เฉยๆคือการกระทําชั่วเอจะชั่วได้ยังไงกิจมันคิดไม่ดี กินนิชิตเศรษฐกิจคิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คดทั่วนั่นตัวนี้ตัวต้วตนต่ อ, องึ้นมาเอาละทําไปทํามาเวทนาจะเกิดละ่ะเนบเริ่มชาขึ้นมาแล้วก็ให้รู้ว่าชาอย่าไปอยู่ที่ชาอย่าไปอยู่ที่เวทนาต้องอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายมันจะเริ่มปวดเริ่มเป็นเนบเริ่มชาขึ้นมาให้รู้เอาตัวรู้เป็นหลักอย่าทิ้งตัวรู้อย่าลืมตัวรู้จับจับตัวรู้ให้แน่นแน่นอยู่กับตัวรู้ให้ได้ จะให้หลุดหล่นอ่าทีแรกมันทนไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนที่ที่สองอย่าเพิ่งเปลี่ยนขยับขเยือกกันก่อนถ้าทนไม่ได้จริงๆซะก่อนจะค่อยเปลี่ยนใหม่ฝืนเรียกว่าฝืนทนกระแสในชีจะง่วงนอนละ น, น, น, นลลลลั่งทั้งวันเดินทั้งวันลืมตาเปิดปิดแต่เต็มที่นอนคนละห้าสิบหกสิบปีแล้วเนาะเจ็ดสิบปีแล้วแล้วจะนอนไปถึงวันไหนระยะเนี่ย กินม า, มากๆนอนม า, มากๆแล้วแต่เรนี้มันยังน้อยอยู่เนี่ยเปิดเปิดตาถ้าผมพูดแต่ผมพูดยังง่วงนอนอยู่แล้วก็ยังไงกันนะต้องให้ตื่นไี่พูดให้ตื่นนะไม่ใช่พูดให้หลับนะพูดให้รู้สึกตัวไม่ได้พูดให้คิดพูดให้รู้สึกตัวไม่พูดให้คิดพูดให้หายง่วงนอนไม่ใช่พูดให้ง่วงนอนพูดให้ตื่นไม่ได้พูดให้หลับพูดให้สู้ไม่ใช่พูดให้ถอยนั่นแหละเอ๊ะทไมพูดแบบนี้ก็โรคเนีย เป็นการปลุกขย่าให้ตื่นให้ประชิญยันหนี้ป ก, กติการยันหนี้ความง่วงเงาเพราะนอนอยันหนี้พุ่งสั้นยันหนี้คิดพู่ตนเย็นวันนี้คิดไม่มีที่หนีหนี้ปรุงนี้แต่งต้องมีอย่างเดียวว่ารู้สึกนี่แหละเอาเห็นว่าสมควรทนไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนแล้วทีนี่ยอยากจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็ต้องมีท่าทางไวเพอเปลี่ยนอะไร บ, บทแนละ้เวทนาก็เริ่มคายล้วไม่ต้องไปดูมัน เ็นทีเปรียบค่อยๆเปลี่ยนให้เท่านั้ น, นเวทนาจะเลื่มคลายออกคลายออกคลายออกคลายออกนั ก, ขออกเข้าหายจ้อยเลยสร้างจังหวะต่อสร้างจังหวะต่อเฮขึ้นที่บอกว่าถ้าไม่คิดอยู่ในการเคลื่อนไหวคิดแล้วก็ปัดไปปัดไม่ได้กรรมจุดตรงนี้ทําไปทำมาทํานานๆหน่อยเวทนากันแล้วเกิดไปอีกแล้วเกิดอีกแน่ ถ้าเกิดดีก็ดูอีกรู้อีกเกิดดีมันจะเกิดกีด่ครั้งกันทั้งเวทนาต้องมีแน่ากันจะปวดต้องมีแน่ถ้าจนะิตอ ย, ita, จอยู่กับกายมากๆเนะี่ยต้องเห็นเวทนาชัดเห็นกายชัดๆเห็นเวทนาก็จะชัดเห็นกายชัดให้จิตอยู่กับกายเนี่ยให้จิตอยู่กายจมูงมากๆถ้ามันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายแล้วเห็นกายชัดเวทนาก็เห็นชัดเวทนาก็าอยนันหนี้อยนันหนี้ดูรู้เวทนามไม่เที่ยงใช่ไหมฮะ เวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์ใช่ไหมเวทนาไม่มีตัวตนสนุกมีกบสุขถ้าเราทำํทำเราทําถ้าเบี้ยวลมร่วงเวทนาไม่เที่ยงส่วนที่เป็นนามรูปไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสร้างต่อไปอีกสร้างต่อไปอถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอีกปุปปับจะเพิงเปลี่ยนนะปุปปับจะเพิง เ, เปลี่ยนนะฝืนทวนกระแสไม่ว่าจะเป็นง่วงนอนพุงซาดอะไรเกิดกระแส อย่าเอะอะโวยวายอย่าตีอกทุกลมต้องฝืนฝืนทวนกระแสถ้าทนไม่ได้จริงๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนนี่คือคือเรื่องเวทนาเห็นกายเวทนาไอ้ส่วนจิตใจไม่ต้องพูดถึงขอให้เห็นกายชัดๆเอาละเรื่องยกมือพูดยาวขยายมากทีนี้อยากจะเดินจงกรมบ้างละเดินจงกรมส่วนในรูปแบบทำให้มากรูปแบบคือสร้างจังหวะมือ ต้องทําให้มากเดินจงกรมก็ทําให้มากในรูปแบบนะในรูปแบบสร้างจังหวะกับเดินจงกรมส่วนนอกรูปแบบนั้นขับรถกวาดใบไม้ดื่มน้ําแปรงฟันล้างหน้าในชีวิตประจำวันต้องมีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทําหลังจากเดินจงกรมสร้างจังหวะแล้วก็ต้องเกาะติดคําวบรรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองให้เป็นลรคโซ่ผลไม่ต้องปรารถนา แล้วจะมีเองต้องตั้งใจกาหนดนอกรูปแบบ ท, นทีนี้อยากจะเดินจงกรมแล้วคิดคิดอยากจะเดินจงกรมสาธิตแล้วทีนี้อย่างน้อยก็สาธุก ง, งานห้าส <50, 50. S 1> ิบห้าสิบเอามือขึ้นมาครึ่งหนึ่งศีรษะครึ่งหนึ่งสาธุกงำงานจะจับหัวเขาแล้วจัดลุกแล้วเริ่มให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องคงจะขอไม่ลอย คงจะของไม่ลอยเดินตงกรมสาธิตสักนิดหนึ่งเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ก็พูดอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็พูดอีกรอบหนึ่งตรงพูดบ่อยๆคิดอยากจะเดินจงกรมมันคิดขึ้นมาก่อนดังนั้นนะจะลุกก็ลุกวันลุกแล้วเดินช้าๆกันแล้วกันนะแค่นี้ก็แล้วกันนะเป็นกอันั่งสบายๆกันแล้วกันนะจะนี้บอกตะกี้ด้วยว่าให้รู้สึกตัวกายเคลื่อนเนี่ยกายเคลื่อน ใจรู้อากาศไม่ต้องฉันจะเดินตรงนี้ไม่ต้องจัดการจะเป็นทัน่างนี้คือทั้งหมดเนี่ยทั้งบทเนี่เป็นกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าที่เป็นกายทุกคนมีหนึ่งกายสองใจสองส่วนเท่านี้นะไม่เกินนี้นจะไปคิดออกนอกกายกับใจนี่รู้สึกตัวกันตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าเท่านี้เองนะนี่กว่ากายเคลื่อนเนี่ยทั้งโด้วเนี่ยกายเคลื่อนเนี่ยใจรู้ เรียกว่ารู้สึกตัวไม่ยากเรื่องหลักปฏิบัติที่มันยากเราคิดยากต่างหากถ้าไปคิดมีอะไรยากไหมไม่มีทะดีกับว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ศรีรษะไปถึงปลายทาเท้านี่คงเพลียงคงเพลีงเนี่ยลองทำเนี่ยทนิดเดียวจะทํานานนะทํานานไม่ดีอย่าบอกว่าใครสอนใครสอนรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าคงเพลียงคงเพลียงเนี่ย ยากไปใช่ง่ายยบ้านเียงมีด็เตอร์ไปสามคนไปคุยแบบนี้เป็นชุมงุชมงุญเผมรู้เฉพาะเดียวมาที่ศาลหลวพ่อเขาบ้าเนี่ยผมทำคุสามเดนยวง่ายก็่านีอยู่เพราะว่านี่เป็นความคิดเนี่ยมันร้ายลักๆเลยนะรู้เปูนตัวตัวพร้อมแล้วลองยับเขาลองดูับเราลองดูเราค่อยๆค่อยๆแลแรงชนิดหนึ่ง เ้วเข้าทำแรงๆยกมือมกัาสามตัวค่อยๆทำต่อไปก็ทำนานแล้วแรงก็เยอะหนึ่งพอชำนานริงๆไปน้ำเวียงไปเวี่งมาเวียงไปมาให้มันตึงสะเทือนตัวนะและปลุกขยอยให้หนักหนักหงพ่อเทียนท่านว่าเวลาคิดจเจ็บหัวซะบวกกระแทกใหญ่ๆมันจะหล่นจะหล่นแต่เมื่อใครที่ต่ะแตะและ เ, เลยเราทำแรงๆเพือเคลื่อนตคิ ด, คดมากๆคือปวด ห, ห, ห, ห, ห, ห, หัวทีเ่เจ็บหัววพอเทนว่านวะ่ ลองยกมือแรงๆเรื่อที่ขุดดินฟ e ันฟูยออกวิ่งมันเทคนิคเะพาตัวอะไรเงี้ยพราะทงแรงๆด้ยมันจะหล่มันจะหลทิคะพาตัวเอายกตัวขั้วพร้อมได้แล้วอาจจะเดินอาจจะโค้งตัวนิดหนึ่งแปดเก้าสิบสองเก้ามัน้นมัเวียนหัวสองมเก้าเวียหัวถ้ายาวก็งเรื่องนั้นก็แต่งมันไปเรื่อยๆนั่ะ บอกบอกแปดเก้ 8, 9, 2, 9. าทุกสามเก้าตาดื้อเหมือ น, มนที่บอกคนละรก็พูดีว่าใครคุ้งซ้านบอกให้สามนิดหนึง่งแตาใครขี้ม่วงที่เศ้าที่หลับสมเป็นที่เป็นเด็กเสร็จแล้วก็อัตขวาก็ออกขวาคงตัวนิดเดีอย่าเต็มช้าอย่าเป็นเร็วเหมือนใหม่ทํายสบายคือให้ตลูกอัตยาแส่เนี้ย จอุดก็รู้ว่าจุดหมุดตังกลับก็รูหมุดตัวกลับล้าก็ได้ขวาก็ได้โครงตัวเิดน่โครงเพ็่มหยาบๆนิดหนึ่งไอ้มือต้องอดอกลูกค่อยหลังนะถ้าไม่กอดอะค่อยหลังไม่เป็นตามรมลงแขงแขนจะเป็นตา ม, ต ม, ตามา ร, า ม, ลารามลงตาขที่ตาบรมลมต้องอดอกค่อยหลังมันง่นใจว่าการันเจอ ทุกๆครั้งก่อนจะเดินก็พยายามปลุกมันจะบอกปลุกเขย่าจับความรู in mind, ส้สึกสภาพที่ร่าซะก่อนมันจะคิดว่าจะเดินก็เดินคิดว่าจะหยิดก็หยุดอย่าให้ผมคิดเป็นตัวนำเด็กขาดแต่ว่าสั่งนะสังว่าความคิดหนึ่งลายนักมันจะเป็นตัวนำอย่าให้ความคิดเป็นตัวนำต้องเอาควมรู้สึกเป็นตัวนำมันบอกว่าให้ปลุกขย่าโยกตัวไปโยกตัวมาด้านหน้าแล้วลังสองสามก้าวซะก่อนมั่นใจว่าจับความรู้สึกเลยแล้ว การคงตัวเป็นอย่างคงตัวไปชื่อเดิมแล้วกนะเล่นไใช่นะทำ ส, บ, สบายๆถ้าจับความรู้สึกได้ดีแนละ้วรู้สึกตัวร่วงรอแล้วนี้อจะเปี่นเร็วคนนิดหนึ่งหรือคนนิดหนึ่งถ้ามั่นใจว่าจับหนึกสัมผัสได้ร้อยเปอรเซ็นแล้วทีนี้ไม่ต้องฟังเสียงใครเกีหนึ่งเนะกี่สองสามนะเก่าห้าเลย เอาเลยจะไไปละกระเปสะาสตาร์ทก็พูดแทกตั้งตั้งนั้นจดเชื่ออย่าลืมนะจับสัมผัสความรู้สึกให้ได้ก่อนนะอาจจะเป็นเร็วไปเป็นแรงไปจับารู้สึกเมือนขับรถนะโอสตาร์ทจหนึ่งลวต่อไปเจสองยสามสี่ห้าเลยตองระวังเจห้าตรองระวังแล้วพวบวุมเฉลี่ยง่ายที่เร็วเร็วไวไวมันจะไม่ทำความชิด ขอะไรของคนนั่นต่อคือก่อนที่จะเห็นความคิดหรือก่อนที่จะเห็นจิตมันจะลืมนะเนยออกกายนี่เป็นฐานให้แน่แต่ก่อนฐานกายเนี่ยให้จิตมาอยู่กับการเป็นวันของกายมากๆอย่าลืหลวงพ่อถ้าจะบอกผมจะมาว่าให้อยู่ที่ 60-70 เปอรเซ็ให้จิตอยู่ตามเป็นวนของกายให้อีกที่ยกมือนะิุกทีเลยให้อยู่ตรง อ, อนนี้มากคนอยู่กับคบคิดอยู่แล้ว ถ้าหกสิบเจ็ดร้อปรเซ็นมันยังไม่อยู่ไม่ยอมอยู่อยู่แปดสิบเก้าสิบไปเลยบางคนไม่ได้ยอมอยู่อยู่ให้มากๆวิธีการเคลื่อนไหวมากๆถ้าอยู่ไปอยู่มาอยู่ไม่อยู่นะเข้าก็จะเป็นนิมเบเดตฐานกายดีแล้วเนี่ยขึ้นไปดูฐานจิตเหมือนปลูกบ้านต้องเทพานแล้วต้องตอกเข็มให้แน่ไม่พน ถามลูกน้ำถ้าไม่ดีขึ้นเปดูความคิดหกลาดส่วนมากเปอยู่ในระดับนี้พอเข้าใจลูปนาำมาอยากไปเทศอยากไปนอนไปแล้วพอสอนเป็นสอนนะถ้าสอนแล้วเทียศแล้วไปแล้วถ้าไม่กลับมาภาวนามาบมาล้าง ม, มาลบมล้างไม่ภวนานลบล้างก็เป็นทันยาเก่าเป็นทันยา ก, ก, ายา ก, กาาต่อถานจะไม่แน่ถามลูปน้ำไม่แน่ถ้าถามรูปน้มไม่แน่มันก็นไปอยู่ คนที่เป็นนามเป็นลูกขึ้นเป็นนามลูกจะไม่มั่นคงขอฝากกับทุกคนเรื่องนี้ด้วยฐานลูกนามขึ้นลูกเปนเคลื่อนนามลูกไป็ฐานกายให้โยกกายมาบ้างมันเป็นเองนั่งก็เป็นลูกเป็นนามนอนก็เป็นลูกเป็นนามมันเป็นลูกเป็นนามหมดทุกเรื่องมันเป็นเองนะดิ๊ดิ๊ดขึ้นเป็นสูตรนลูกปต่ดูของชิดซึ่งบอกว่าวัดปู่การมีการทอดทุกวัน่ะมันไม่น่าขึ้น เาละวันนี้พูดหลย อ, อย่างเรียกว่าสารละจําฉพาะหลักปฏิบัติที่มันแย่จามันเป็นจูงจ ง, ง, งจำเรื่องสร้างจังหวะตวนอกรูปแบบจะเดินกลับบ้ า, จ น, บบาจ น, จนจะเดินจูงโข้าห้องน้าห้องส้วจะไปแฟนฟันล้างหน้าให้บวงจรตั้งแต่เช้าจดเยีนเป็เรืร่องปฏิบัติทั้งหมด เห็นว่าในลูกแสบมันไม่พอนอกลูกแสบก็ต้องกอะเป็นคารู้ึกผอตั้ง่างใหม่ล้มแล้วลุกใหม่ล้ลุกเรื่อยลกไปเรื่อต้องขยันบดคนเ พ, พื่อพาาสร์ตไปเรื่องเกมผมจะมาเริ่มาไม่ใช่มม เ, เ, เรื่องที่สุดทสัยผมไม่เคยเป็นผู้พิเศษเป็นผู้เด็นซึ่งผูกความทุกข์มันกัดจน็ น, นตายกับลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสู้ แต่เดี๋ยวนี้ทุกน้อยะทุกน้อยออกมากถ้าตั้งจะทําต่อ น, นื่อมันจะไม่ดีจะไม่ดีฟูรูบอกว่าทุากไม่ดินเราแต่ใจหลบเกิด่อนนี้ไม่มีเน็ตแต่ใจเน็ตเกิดผ้าของเมชีไม่ได้สุกหกไม่ได้ดางดางไม่ใช่ผ้าแล้วที่ฝุ่นตัาหามาทำให้ผ้าดัางน้ําไม่ได้ขุ่น ทิ่แก่รนต่ะหามมาทั้งในน้ำคุใจเดิมแท้พวกเราไม่มีภมสะอาดบริสุทธิ์สดท่านว่าไว้เลยรูดอาถรรกัก่เลกที่มุจจรมาตาหามเราไม่มีคูมคุ้มกันสติเราไม่พร้อมประเด็นปริเดนเขากทุกประเด็นเนี่ยมั่นใจร้วเประเซ็นต์จะได้ก่อนจบขอจกมืนอขึ้นเลยอนิธานิพนขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นปฏิปฎิ บ, บูชา พ่อคุณกับหลงพ่อคู่มีทุกคนซึ่งถ้าท่านอยู่ท่านคงจะเห็นพวกเราเนี่ยดีใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมกันและกันรู้สึพอเป็นปัจุบันนักการนาทุกๆเวลาทุกๆนาทีทุกๆวินาทีเพิ่งตั้งแบบใหมายพิตั้งแบหม่ลบเลยลบลุกลยลบจนกระทั่งหยุดคิดทุกเย็นเก็บยึดหาม ด้วยกันทุกลกูกทุกนามแล้ว ก, ก็ทุกทุกท่านเออ